เจริญพทุกๆ ท, ท่านคนจีนมานี่ใช่ไหมมีคนจากเมืองจีนร้อยกว่าคนมาฟังเทศเอาไปที่วัดกันเป็นประจำแนตะ่มีปัญหามากก็คือพูดกันไม่ได้ ต้องมีคนแปลหลวงพ่อยังบอกพวกคนไทยเลยว่าดูไว้นะถ้าหากศาสนาพุทธหายไปจากบ้านเมืองเราแล้วเราจะต้องไปเรียนจากเมืองจีนอะไรเงี้ยในวันหนึ่งข้างหน้าสมมุตินะมันยากลำบากมาก กว่าจะฟังภาษาขันรู้เรื่องกว่าจะถ่ายทอดธรรมะกันออกมาได้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆเงน้นทางที่ดีที่สุดนันก็คือรักษาพระศาสนาไว้อย่าให้มันสูญไปเก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำกัน ศา ส, สนาพุทธเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะพูดเรื่องว่าเป็นศาสนาหรือไม่เป็นศาสนาก็เถียงกันได้อีกในความเป็นจริงแล้วมันมีลักษณะของความเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์เป็นวิชาการมากเลยศา ส, สนาพุทธมีแต่คำว่าเหตุกับผล พระพเจ้าสอนธรรมมาไวกว้างกว้างมากแต่รวมความแล้วก็คือเป็นเรื่องของเหตุผลไม่ใช่เรื่องความเชื่อตรงนี้แตกต่างกับศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นต้องเชื่อก่อนอย่างน้อยที่สุดต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงถ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงระบบความคิด ในแต่ละศาสนานล่มเลยในขณะที่ศาสนาพุทธไม่ได้บอกว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีแต่ศาสนาพุทธตัดตรงเข้ามาอธิบายเลยว่าทำไมเราถึงเกิดความทุกข์ขึ้นและทำอย่างไรเราจะไม่ทุกข์ฉั้นแก่นแท้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย จะสอนเรื่องความทุกข์สอนเรื่องเหตุของความทุกข์สอนเรื่องความดับทุกข์แล้วก็สอนวิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ถ้าพระพุทธเจ้าสอนแค่ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แต่ไม่มีทางออกให้อันนั้นยังเรียกว่าต่ำต้อยด้ยค่ามากแต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้ทางออกจากทุกข์ให้เราได้ด้วย แล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยทำได้ไม่ต้องเป็นยอดมนุษย์ซปเปอร์แมนอะไรหรอกคนปกตินี่และสามารถช่วยตัวเองออกจากของทุกได้ดนั้นเราก็ต้องรู้นะว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนชี้ให้เราเห็นความจริงของชีวิตชีวิตเราที่ประกอบด้วยร่างกายประกอบด้วยจิตใจเนี่ย ร่างกายก็เป็นตัวทุกข์จิตใจเราก็เป็นตัวทุกข์อะไรที่ทําให้เกิดความทุกข์อันนี้ท่านก็อธิบายไว้ชี้ไปที่ต้นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ทางกายเราเรามีร่างกายแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมชาติธรรมดาถ้าพูดแบบ ภาษาพระหน่อยนะก็มันมีมิบักมีขันขันห้ามเป็นบิบักเป็นผลของกรรมเราได้ร่างกายอย่างนี้มาถึงเวลามันก็มีขิดจำกัดมันมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายสมัยใหม่ก็ศึกษาเลยเข้าไปนะมันมันมียีนมีอะไรมากาหนดอยู่แล้วว่าถึงเวลานี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทางร่างกายนะ เมื่อมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้หรอกเพาะฉน้นความทุกข์ทางร่างกายนะทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายเนะี่ยเป็นเรื่องธรรมดานี่คนทั่วไปนะมันรักในร่างกายมากพอร่างกายแก่นะมันก็คิดว่าเราแก่ร่างกายเจ็บเมื่อเราเจ็บร่างกายตายเราตาย มีแต่ความสูญเสียพระพุทธเจ้าสอนเราให้มาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ด้วยสติด้วยปัญญานะมีสติระลึกรู้อยู่ในกายเนืองเนืองอยังเราให้ใจออกรู้สึกตัวให้ยใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปไม่ใช่ฝึกเพื่อให้จิตสงบนะนั่นตำต้เกินไป งั้ส่วนใหญ่ที่อยากปฏิบัติธรรมเนี่ยมุ่งไปที่ความสงบ ม, มันด้อยเกินไปนะการฝึกให้สงบเนี่ยศาสนาอื่นเขาก็ทำได้แต่พระพุทธเจ้าสอนเรามีสติรู้องในกายเนี่ยเพื่อจะได้เห็นความจริงของร่างกายร่างกายมีความจริงยังไง ร, ร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เราจะทดสอบนะว่าจริงหรือไม่จริง พวกเราลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยทุกไหมเอารีบหายใจออกเข้าจะได้แก้ทุกนะหายใจออกให้ยาวที่สุดเลยทุกไหมที่เราหายใจเข้านะเพื่อจะแก้ทุกของการหายใจออกเราหายใจออกเพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้า งั้นในความเป็นจริงถ้าเรามีสติอยู่กับการหายใจเนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจนจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าร่างกายเนี่ยมันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันไม่ได้สุขตรงไหนเลยตอนเราเปลี่ยนจังหวะหายใจใหม่ๆอาจจะรู้สึกสบายหน่อยพอหายใจนานๆนะหายใจเข้ายาวๆก็ทุกข์ละ หายใจออกยาวๆก็ทุกข์และงั้นมันมีแต่ความทุกข์มากกับความทุกข์น้อยในร่างกายเนี่ยไม่มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขคนที่ไม่ได้รับการศึกษาในธรรมะจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่เรานักปฏิบัติเรามีสติเรา ร, รู้อยู่ในร่างกาย เรารู้ว่าร่างกายน่ะทุกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งก็มีแต่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกก็คือทุกทั้งวันเนี่ยพอเรามีสติมีปัญญารู้นะเห็นร่างกายหายใจธรรมานาปนสติไม่ได้ทําเพื่อสงบตื่นเกินไปเนี่ยทำยินเห็นความจริงเราหายใจเพื่อจะหนีทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์ก็วิ่งตามมาทันอีก เราก็ต้องเปลี่ยนการหายใจเพื่อจะหนีทุกข์อีกแต่ไม่นานความทุกข์ก็ตามมาทานอีกนั้นที่เราต้องดิ้นรนหายใจเครือเครอเครืออยู่นี้ก็เพื่อหนีทุกข์นี่บางคนจะมาดูการหายใจเราเห็นว่าร่างกายมันทุกข์เนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยเกินไปสู้ไม่ไหวมันละเอียดเกินไปเพราะว่าท่าเจ้าสอนธรรมะที่หยาบขึ้นมาหน่อยคือรู้อิอริยาบถสี่ อย่างข น, านี้เรานั่งอยู่เรานั่งอยู่ล้วก็ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะเห็นว่านั่งอยู่ไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยเรานั่งไปเรื่อยๆสิแล้วเราจะพบว่ามันทุกข์นั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันใช่ไหมเนี่ยถ้ามันั่งที่หลวงพ่อแล้วมองไปที่พวกเราจะเห็นเลย พวกเรากระดุ ก, กดิกตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวก็ขยับขยับขยับนะทําไมต้องขยับไปขยับมาเราขยับเพื่อหนีความทุกข์เราขยับเพื่อจะหนีความทุกขก์ลองนั่งนิ่งๆสักหานาทีเลยแล้วก็จะรู้ว่ามันทุกข์ไม่ทุกข์อย่ากระดุกกระดิกนะ เรเห็นทุกข์แล้วบ้างเออนั่งให้นานวันนี้จะเห็นทุกข์มากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างนั่งสมาธินั่งนั่งเล่นๆอย่างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่พอเราคิดว่าเราจะปฏิบัตินั่งสมาธิขัดสมาธิอยู่นนั่งพเพลียๆอยู่แป๊บเดียวทุกข์แล้วสั้งใจอยนั่งโตรุ่งนะกลายเป็นล้มลงไปนอนโตรุ่งเลยเพราะมันทนความทุกข์ไม่ไหว ทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อจะหนีความทุกข์นั่งนานๆนนนนทุกข์ไหมนอนนานๆทุกข์ไหมเนี่ยบางคนบอกนอนแล้วมีความสุขคนเป็นอัมาพาตนอนนิ่งๆอยู่ตัวเน่าไปเลยมันทุกข์มากมันแปลกดทับไปเลยทำไมต้องขยับทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะในความเป็นจริงก็คือร่างกายที่มันทุกข์ เราต้องขยับดีความทุกข์ไปเรื่อยๆ <นะ S 1> อยิริยาบถคือการเคลื่อนไหวน ะ, นะมันปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์ของร่างกายอย่างการที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยก็ปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์ว่าร่างกายนีทุกข์อยู่ทุกครั้งหายใจเข้าออกอย่างเรายืนเดินนั่งนอนอยู่นี่เราเปลี่ยนอิริยาบถไปมันก็ปิดบังไม่ให้เราเห็นว่าร่างกายนี่ทุกข์ ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทุกข์งั้นเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆแล้วเราจะพบความจริงร่างกายคือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรอย่างที่เคยคิดละเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์มีแค่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเวลาเราแก่ใครเป็นคนแก่ตัวทุกข์มันแก่ เวลาเจ็บตัวทุกมันเจ็บเวลาตายตัวทุกมันตายสมน้ําหน้ามันนะใจอยห้าวหาร น, นะตัวทุกกําลังจะแตกนะนะตัวทุกกําลังจะดับลงไปละใจไม่หวั่นไหวยันอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกนะัะหรือในพระไตรปิฎกก็พูดถึงบรรดาพระพุทธเจ้าหรือพระอราหันต์ทั้งหลายนะในวาที่จะปรินิพพานท่านจะผองใสเป็นพิเศษเลย นะจะสว่างอปองใสมากกว่าปกติเพราะมันเป็นวาระที่ตัวทุกข์มันกำลังจะแตกแนละภาระที่ต้องแบกหามร่างกายนี้กำลังจะหมดซึ้งไปลจะจิตใจมันจะห้าวหารเบิกบานนะมันจะไม่เหมือนพวกเราเพราะจะตายเนมะ่ยมันคือความสูญเสียในขณะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเวลาจะตายเนะี่ยคือความสิ้นไปซึ่งของถูก ไม่เหมือนกันความรู้สึกจะแตกต่างกันมากเลยเพราะฉะนั้เราภาวนาให้ดีเถอะถึงวันหนึ่งเราจะไม่กลัวตายนะเวลาเผชิญหน้าความตายเนี่ยจิตใจจะห้าวหาญเบิกบานรู้สึกว่าธรรมดาถึงวาระของมันละภาระที่ต้องดูแลบารุงรักษาร่างกายเนะี่ยหมดละพวกเราเวลา ทำภารกิจในการดูแลร่างกายตัวเองเคยรู้สึกบ้างไหมว่าร่างกายเป็นภาระเคยรู้สึกไหมตั้งแต่ตื่นนอนะทําอะไรบ้างตื่นนอนก็ไปเข้าซ่วมใช่ไหมไปเอือไปชี่ถ้าไม่อือ ท, อ, อทุกอีกละวถ้าอือไม่เลิกก็ทุกอีอกแล้วจำเจ อ, อ, อต้องอือต้องชี่นะเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ําแต่งตัว ผู้หญิงก็พารายเยอะหน่อยผมยาวทำผมผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ชอบทำผมบางคนยื่นหัวมาให้หลวงพ่อรูปหัวนะเรารูปเขาตกใจเลยยังก็ขนเม่นทำไปหัวแข็งชะงจะมาให้รูปอีกเนะนี่ยอย่างพระนี่พาราน้อยหวีก็ไม่ต้องใช้เวลาอาบน้ ำ, น, ำน้ำลาดลา ด, ลาด ัวสบู่หน่อยหนึ่งไม่ต้องดูแลอะไรเยอะไม่ต้องใส่ครีมนวดผมอะไรองี้ไม่ต้องใสเนี่ยตั้งแต่หัวเรานะมีภาระเท่าไหร่แค่ผมเรผมเรามีภาระเท่าไหร่ต้องตัดต้องเซ็ตต้องย้อมต้องโกรกให้มันดูดีสีสวยงามสารพัด จะต้องดูแลมากมายตั้งแต่หัวแค่ผมมันเดียวก็ภาระเยอะแล้วจนถึงเท้านะเท้าก็ต้องดูแลเยอะแยะเลยทาไงเท้าน่าเกลียดไม่ดีสกุปลกอะไรเงี้ยเล็บเท้าอะไรก็ต้องดูดีผู้ชายไม่เท่าไหร่ะใส่รองเท้าปิดมดผู้หญิงเล็บมันโผลกก็ต้องให้ดูดีสวยงามดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเราเนี่ยภาระเท่าไหร่ ภารมหาศาลเลยนะวันหนึ่งวันหนึ่งในการดูแลร่างกายเนี่ยเนี่ยพอเราไม่เคยสังเกตเราไม่เห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยนําความทุกข์มาให้เราทั้งเยอะทั้งแยะหนะึสร้างภาระให้เราทั้งเยอะทั้งแยะหนะเรารู้สึกมันเป็นของดีเป็นของพิเศษเรารักใคร่หวงแหนเวลาเจ็มันจะแก่เราก็กลุ่มใจจําได้ไหมผมงอกเส้นแรกที่เราค้นพบ่ะ ผมมากของตัวเองเส้นแรกนะสะเทือนใจไหมนึกออกไหมนี่บางคนเฉยๆแล่ะเส้นที่ห้าร้อยเลยเลยเสซนเส้นที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหจะเจ็บปวดมากเลยหรือตินกาตีนกาขึ้นเขาเรียกตีนกาบ้างตรเนี้ยตามีประกายตามีรัศมีเป็นเส้นๆเส้นแรกเนี่ยเจ็บปวดที่สุดเลย พยายามต่อสู้พยายามไปถึงหาอะไรมาทาไปตึงมันลรกลัวกลัวว่าของสวยของงามเรากําลังจะสิ้นไปเนี่ยเราดูลงมาสิเรารักในร่างกายนี่เหลือเกินผมงอกเส้นเดียวเราก็กลุ่มใจแล้วติงกาขึ้นอันเดียวก็กลุ้มใจละเพราะาเรารักมันมากแต่ถ้าเรามีสติคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆ เราจะเห็นความจริงร่างกายนี้มันเป็นภาระมากนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็าทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ไม่เห็นความจริงอย่างนี้แล้วความรักใคร่หวงแหนผูกพันในร่างกายจะค่อยๆลดลงวันหนึ่งเราภาวนาจนะาถึงสุดขีดจุดหนึ่งในร่างกายเนี้ภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเนะี่ย มันจะเห็นความจริงร่างกายคือตัวทุกข์แล้วทันทีที่จิตเห็นว่าร่างกายคือตัวทุกข์อย่างท่องแท้สิ้นสงสัยในร่างกายจิตจะสลัดคืนกายให้โล่งนะอย่างเราภาวนาอยู่นะจะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ได้นะบางคนภาวนาเขานอนอยู่นะเหน็ดเหนื่อยมากนะปฏิบัติงานทํางานเหนื่อยมาก เราไปนอนถึงเวลาที่ควรจะตื่นตื่นไม่ขึ้นนะลุกไม่ไหวร่างกายมันไม่ยอมกระดุกกระดิกเลยก็พยายามขยับเท้านะขยับขยับขยับขยับขยับไปอยู่ๆจิตมันรวมพึบเข้ามานะแล้วมันเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันต่อไปไม่ได้ลนะเราสั่งให้มันลุกขึ้นมานั่งมันยังไม่ยอมลุกเลยนะมันหมดกำลัง ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มันนอนจมความทุกอยู่พอเห็นอย่างนี้เท่านั้นนะจิตมันเด็ดผางออกมาไลยมันสลัดร่างกายทิ้งไปเลยไม่ยึดถือร่างกายอีกต่อไปละตรงนี้เป็นภูมิจิตภูมิธรรมระดับพระอนาคามีนะปล่อยวางกายได้เพราะเราเห็นความจริงแล้วกายนี้คือตัวทุกการภาวนาในขั้นต่อไปเนี่ย มันจะรวมลงมาที่จิตนะรวมลงมาที่จิตเพราะว่ากายในี่มันรู้แจ้งแนละ้วมันวางกายไปแล้วแต่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนต้องเริ่มจากการดูกายนะแต่เวลาปล่อยวางเนี่ยจะปล่อยกายก่อนปล่อยจิตนะเพราะกายเป็นของหยาบดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์จิตเป็นของละเอียดดูยากแต่ในการภาวนาในขั้นแรกๆเนี่ย จะดูไกยก็ได้จะดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้ดูจิตสังขารคือความพรุงดีพรุงชั่วของจิตก็ได้จเจริญธรรมานุปัสนาคือรู้รูรปธรรมนามธรรมรู้กุศลธรรมรู้อกุศลธรม ร, รมก็ได้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าบอกสติปัฏฐานสี่ในตำรามีนะในอภิธรมรมเราสอนเลยเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเมืองเมืองหนึ่งเนี่ย เข้าได้สี่ทิศทางเข้าประตูไหนประตูตะวันออกก็เข้าได้ตะวันตกก็เข้าได้ประตูไหนก็เข้าได้เข้าแล้วก็ไปถึงที่เดียวกันได้การปฏิบัติเนี่ยจะเริ่มด้วยการดูกายก็ได้ดูเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ได้ดูจิตก็ได้จะขึ้นไปธรรมานุปัสสนาก็ได้แต่ว่าธรรมานุปัสสนาเล่นยากนะเอาง่ายๆก่อนดูกายดูจิตไปง่ายที่สุด เวทนานุปัสสนาเนี่ยยากกว่ากายานุปัสสนาธรรมานุปัสสนายากกว่าจิตานุปัสสนาเนั้นเราดูของหน้าให้ดูกายดูใจดูกายดูจิตไปดูของง่ายๆไปให้เห็นความจริงอย่างเรามีสติรู้สึกอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใครเป็นคนรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกถ้าไม่มีจิตร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกไหม อย่างคนตายแล้วนะไม่มีจิตแล้วในกายเนี่ยเอาร่างกายไปเผายังไม่รู้สึกเลยนะมันมีจิตนะร่างกายมันถึงรู้สึกได้เนี่ยถ้าเราภาวนาอย่างขนาะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมคนที่รู้ว่าร่างกายนั่งก็คือจิตจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งไม่ต้องหาว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่ต้องคิดว่าจิตคืออะไรน แค่ว่ามันมีความรับรู้อยู่อันหนึ่งในตัวเนี้ยจิตจริงๆคือสภาพธรรมแห่งความรับรู้สภาพธรรมแห่งความรับรู้อารมณ์อารมณ์เพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้คือตัวอ็อบเจกต์จิตคือตัว subject เป็นสภาพธรรมที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างขณะเนี้ยพวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมทาไม่รู้ว่านั่งนะเพราะมันมี ตัวรับรู้อยู่ว่าตัวเนี้ยร่างกายกำลังนั่งไอ้ตัวรับรู้นี่แหละคือตัวจิตอย่าไปวาดภาพจิตไว้พิสดารเป็นอะไรที่พิสดารมากมายจิต okay. คือตัวความรับรู้แค่นั้นเองอย่าคิดมากที่เราคอยรู้สึกไปร่างกายนั่งเราก็ค <te úp> <te Save> ่อยรู้สึกไปะจิตเป็นคนรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้สึกร่างกายให้ใจออกให้ใจเข้าจิตเป็นคนรู้สึก ดูไปจนเห็นความจริงของร่างกายร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์่ะหุ่นยนต์เป็นคนไหมหุ่นยนต์ไม่ใช่คนหุ่นยนต์ไม่ใช่สัตว์หุ่นยนต์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยเราพอนานะเห็นร่างกายเสลนไหวใจเป็นคนดูไปเรื่อยใจเป็นคนรู้สึกไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกนะร่างกายนี้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆตามที่จิตมันสั่ง สั่งบางช่วงก็สั่งได้บางช่วงก็ไม่รับคำสั่งสั่งไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูไปเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงไอ้ตัวที่เป็นคนรู้เป็นตัวเราที่แท้จริงไหมตัวจิตเราค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อยดูไปดูกายได้ก่อนก็ดูกายไปก่อน บางคนดูกายไม่สนุกไม่ชอบดูเข้ามาที่จิตก่อนก็ได้แต่สุดท้ายจะรู้แจ้งทั้งกายรู้แจ้งทั้งจิตนะเพราะอะไรถ้าดูกายใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูถ้าดูจิตเราจะเห็นว่าจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เกิดความรู้สึกน า, นานาชนิดขึ้นกับจิตได้เพราะกายเพราะมีตาไปมองเห็นจิตถึงเพลี่ยนเพราะมีหูไปได้ยิน จิตถึงเปลี่ยนความรู้สึกในันคิดนมามธรรมถึงเปลี่ยนจมูกนักกลิ่นความรู้สึกถึงเปลี่ยนจิตใจถึงเปลี่ยนเพรา ะ, ะ น, นจริงๆแล้วจิตใจเนี่ยเปลี่ยนก็โดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมาช่วยด้วยนะมีส่วนร่วมอย่างสําคัญแต่บางทีจิตก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้โดยตัวจิตเองเช่นจิตมันอยู่ๆมันคิดอะไรขึ้นมาสัญญาความจําได้หมายรู้มันคิดขึ้นมานะปรุง ทำให้เราคิดมีสังขารคิดต่อนะจิตก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วนะอันเนี้ยจิตมันเริ่มทํางานที่ใจโดยตรงนะแต่อย่างพวกเราเนี่ยมันทํางานทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายบ้าง้ตรงที่ทํางานทางใจไม่ค่อยเห็นนะนะค่อย ค, อยคอยหัดรู้หัดดูไปนะเดี๋ยวพบว่าจิตมันเริ่มทํางานเนี่ยเมื่อมีผัสสะรู้จักคาว่าผัสสะไหมนะ ภาษาคือการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกเลนกายใจตอนที่ตาเห็นรูปเนี่ยจิตใจก็เกิดความเปลี่ยนแปลงตอนที่หูได้ยินเสียงจิตใจก็เปลี่ยนแปลงในอย่างได้ยินเสียงชมนะหรือเสียงเพราะเนี่ยจิตใจมีความสุขได้ยินเสียงด่าหรือเสียงเกลี้ยวกล่ดเสียงหนวกหูเราจะนอนนะหมาก็ม า, า, มาหาอยได้ยินเสียง่เนี้ยโทสะม่ขึ้นใจไม่ชอบ ใจมันเปลี่ยนเสียงอย่างนี้เข้ามานะใจเป็นอย่างนี้เสี ย, ง, ยงนี้เข้ามาใจเป็นอย่างนี้จมูกได้กลิน่นบางคนได้กลิน่นเน่ากลิ่นเมนนะหม็นนะมุดหิดนะมุดหิดนี่บางคนเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะของปทมอยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะจนชินเลยหรืออยู่ติดคลองที่น้ําเนา่าอยู่อย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กนะไม่รู้สึกอะไระ่เพาหายไปนา น, าน นะกลับมาได้กลิ่นนะบางคนเนี่ยรู้สึกไหมมันเหม็นจังเลยแต่ก่อนไม่รู้สึกนะจะหงุดหงิดนะเคยลําบากก็ไม่รู้สึกนะเพราะเคยสบายช่วงหนึ่งกลับมาลาบากแนละ้วหงุดหงิดไปเลยบางคนกลับข้างกันนะไปเที่ยวที่อื่นนาเลยกลับมาได้กลิ่นเหม็นๆที่เคยคุ้นเคยมีความสุขขึ้นมาก็ได้นะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่ทําให้เรามีความทุกข์คือกลิ่นที่ไม่ชอบใจไม่ใช่ ไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะแล้วกลิ่นที่ทําให้เรามีความสุขคือกลิ่นที่ชอบใจเนี่ยอิทธารมอารมณ์ที่ชอบใจได้อารมณ์ที่ชอบใจนะอารมณ์ที่ชอบใจก็จะทําให้มีความสุขอารมณ์ที่ชอบใจของคนคนหนึ่งอาจจะไม่ชอบใจของอีกคนหนึ่งใจจะไม่เหมือนกันเนี่ยตาหูจมูกเล่นแก่ใจเพอากระทบอารมณ์นะจิตมันจะปรุงความรู้สึก ข, ขึ้นมาปรุงสุขปรุงทุกข์ ปรุงดีปรุ่งไม่ดีโลภโลกรดหลงอะไรขึ้นมาเห็นได้กลิ่นบางอย่างนะก็โลภขึ้นมานะเกิดราคะได้กลิ่นบางอย่างเกิดโทสะอะไรเงี้ยจิตมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจิตมันเปลี่ยนตอนนี้มีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ต่างๆหูจมุกเลี้ยกายใจเราก็มีสติไปอยู่อย่างเรานั่งอยู่ก็คอยรู้สึกตัวว่าใจมันหนีไปคิดก็รู้ทันมันนั่งอยู่รู้ไปเรื่อยๆนะมันปวดมากๆใจเ้าหมุนหงิด ใจก็เปลี่ยนเพราะฉั้นอย่างเราดูกายอยู่นะมันก็จะเห็นจิตด้วยไม่ใช่ดูกายแล้วเห็นตะกายนะดูกายแล้วเห็นตะกายภาวนามไม่เป็นหรอกเพราะการจะเจริญปัญญาเนี่ยต้องแยกรูปนามได้เรียกว่ามีนามรูปปริเฉทญาณเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นรูปมันนั่งรูปมันยืนเดินด น, นั่งนอนหายใจออหายใจเข้านามคือจิตเป็นคนรู้ เพรานถ้าไม่มีจิตเป็นคนรู้อย่ามาพูดเรื่องการเจริญปัญญาเลยทำไม่ได้หรอกอย่างนั่งจ้องหายใจแล้วก็จ้องนิ่งอยู่กับลมหายใจซื่อบื้ออยู่ไม่มีปัญญาดูท้องพองยุบนะเห็นท้องพองท้องยุบแล้วจิตนิ่งเฉยเฉยอยู่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าดูท้องพองยุบไปแล้วสงสัยที่จะต้องดูถึงเมื่อไหร่บ่าเนรู้ว่าสงสัยเนเริ่มเดินปัญญาได้แล้ว จิตมันเริ่มทำงานให้ดูแล้วเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปแล้วปัญญามันจะเกิดนะแต่อย่างพวกเราถ้าเอาจิตเป็นมีหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ตั้งแต่แรกไม่ได้เอาร่างกายเพราะร่างกายเนี่ยไม่เคยหายไปไหนอะแต่จิตมันหายไปบ่อยนะเราะถ้าถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนแล้ววันหนึ่งจะเห็นจิตหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิต ดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำสมถนะทำสมถะเพื่อให้มีแรงกลับไปดูกายดูใจได้อีกดูกายเพื่ออะไรนี่มีคำตอบอีกดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่ออะไรดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมถ้าไม่ไม่ถึงจิตจะไม่เห็นธรรมเพราะฉะนั้นหลวงปู่ม่านสอนนะได้จิตคือได้ธรรมเห็นจิตคือเห็นธรรม ไม่ได้จิตไม่ได้ธรรมะเพ้วเราจะต้องเรียนจนมัเนเข้ามาถึงจิตถึงใจเราได้ถ้าเรียนแล้วไม่ถึงจิตถึงใจยังใช้ไม่ได้หรอกแต่เบื้องต้นบางคนดูที่จิตตรงๆไม่เห็นดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าบ้านนันเดี๋ยวเจ้าของมันก็กลับมาเพรา้นเรารู้สึกไปเรารู้สึกซิตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่ อย่าบังคับใจให้นิ่งนะใช้ใจธรรมดารู้สึกไปด้วยความรู้สึกธรรมดาแป๊บเดียวใจจะหนีไปคิดเรื่องอื่นดูซิจริงหรือไม่จริงหนีหรือยังบางคนหนีไปห้าร้อยรอบแล้วหนี <c oughs> นไวมากเลยชุบชับชุบชับเนี่ย เรานั่งอยู่หรือเราหายใจอยู่นะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วถ้าจิตเราไปทําอะไรนะคอยรู้ไว้ตรงนี้จะรัดเข้ามาที่จิตโดยตรงเลยนะอาศัยกายเป็นฐานไว้แล้วเราก็จะมองทะลุเข้าไปเห็นจิตอเอี่ยวไม่อกี้เรานั่งอยู่ใช่ไหมนั่งเห็นร่างกายนั่งอยู่ทีเดียแป๊บเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นลนะถ้าดูตรงนี้ยังลำบากนะเรา อ, อีกวิธีหนึ่งก็ได้ ครูบาาจารย์ชัดชอบสอนหลวงพ่อเรียนกับท่านพ่อดีนะองคแรกครูอาจารย์องแรกท่านก็สอนหายใจเข้าบริกรรมว่าพูดห้ยใจออกบริกรรมว่าโทรนะลองทํำดูซิอย่าบังคับจิตให้นิ่งนะบังคับจิตให้นิ่งไม่ใช่ทาง เห็นไหมว่าพุโทโธอยู่ดีีจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นได้ใครเห็นจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นบ้างที่นั่งพุดโธแต่กี้ยกมือซียกมือนะเอใครยังคิดแนวแน่อยู่ในพุดโธเมื่อกี้นี้ยังไม่ลืมพูดโธเลยไม่มีเลยเหรอเราอติดเพลงรู้ตัวไวนะ้น่าขณะนี้ยยังติดเพลงอยู่เลยรู้สึกเปล่าทําหน้าให้ดู มันไม่หลุดก็สึกไหมมันแน่น ๆ, ๆอยู่นะถ้าอย่างเนี้ยมันจะไม่เดินปัญญาต่อมันจะนิ่งๆอย่างเงี้ยปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวปล่อยให้จิตใจเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้ไปพระเจ้าเจ้าไม่ได้บอกไว้ทํากายให้นิ่งๆนะอย่างร่างกายให้ยใจออกให้ใจเข้าก็เคลื่อนไหวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดอยู่นิดนึงก็เคลื่อนอีกอย่างเงี้ยมันกต้องเคลื่อนไหว จิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันดูความเคลื่อนไหวของมันดูความเปลี่ยนแปลงของมันความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงคือคำว่าอนิจจงถ้าไม่เห็นอนิจจงหรือทุกขังหรืออนัตตาไม่ใช่พิปัสนากรรมฐานรู้กายนิ่งอยู่เงี้ยไม่ใช่พิปัสสนานะดูจิตแล้วจิตนิ่งเฉยอยู่ไม่ใช่พิปัสสนานะ ดูความไม่เชี่ยงของมันเราพูทโธเราพูดโธนะอย่างเดียวก็ได้หรือหายใจเข้าพูดออกโธก็ได้แล้วไม่บังคับใจให้นิ่งเราจะพบว่าเราพูดโธอยู่ดีๆนะแป๊บเดียวหนีพูดโธไปคิดเรื่องอื่นละเราดูซิจริงไม่จริงเห็นไหมหนีละ เห็นไหมจิตหนีไปหนีไปคิดดูออกไหมใครดูตรงนี้ได้แล้วยกมือใครยังไม่เห็นถ้าเห็นแล้วหลวงพ่อจะได้สอนรุดหน้าต่อไปค่อยๆหัดดูอีกเนี่ยแล้วเราจะเห็นไหมจิตนี้ไม่เที่ยงที่แรกเราเจตนาคิดคำว่าพุทโธพุทโธเป็นความคิดนะแต่ทางอภิธรรมเรียกว่าเป็นอารมณ์บัญญัต เราเไปทํานิพพานาตรงๆไม่ได้หรอกแต่ว่าเราพุทโธเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะรู้ทันจิตเวลาจิตเราขาดสติจิตจะทิ้งพุทโธไปคิดเรื่องอื่นเราจงใจพุทโธเราจงใจพุทโธแต่โดยที่ไม่ได้บังคับให้จิตต้องอยู่กับพุทโธพุทโธไปสบายๆพุทโธพุทโธพุทโธฟังเสียงหลวงพ่อออกหมไม่ใช่พุทโธ พุโทโธอนี้ไม่ใช่นะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเมืนะ่อจิตปกติพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะแล้วเวลาจิตมันหลงเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมคิดคําว่าพุโทโธตอนที่จิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ได้อย่างรวดเร็วเฮ้ยลืมพุโทโธแสดงว่าขาดสติแล้วนะต่อไป เราฝึกทุกวันทุกวันนะพุโทโธไปแล้วพระจิตหลงไปเรารู้พุโทโธแล้วจิตหลงไปรู้ต่อไปพรอจิตหลงปั๊บนะสติจะเกิดเองเลยจ ะ, ะระลึกขึ้นได้อย่างรวดเร็วเลยว่าขาดสติแล้วใจลอยไปคิดเรื่องอื่นละเพราะนั้นที่เราพุโทโธเนี่ยนะเพื่อจะได้รู้ทันเวลาจิตมันลืมพุโทโธไม่ใช่พุโทโธเพื่อบังคับจิตให้นิ่งฉะนั้นตื้นเกินไป เพรนัพุโทโธแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือคุณแม่จันดีใครเคยได้ยินชื่อท่านบ้างมีไหมคุณแม่จันดีน้องหลวงตามหาบัวนะพ่อน่าเก่งนะท่านพ่อนาหลงตารับรองเลยว่าไม่ถูกละตั้งแต่ปีสามห้านะท่านมาเจอหลวงพ่อนะท่านเจอกันท่านถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์พ่อนายังไง จิตลงที dialog, starts, Clone, purse, so ่เดียวกันลงที่เดียวกับท่านท่านถามอย่างเนี้ยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเริ่มจากอานาปนสติห้ใจเข้าพูดออกโธไปเรื่อยๆนะทีแรกใหายใจเข้าพูดออกโธนับหนึ่งด้วยให้ใจเข้าพูดออกโธนับสองห้ใจเข้าพูดออกโธนับสามท่านพอดีสอนมาอย่างเนี้ยแล้วพอหายใจไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มสงบเนี่นะการนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดออกโธ พร<ภ> <BE> จิตสงบมากขาึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปเหลือแต่แสงสว่างสว่างอยู่ตรงเนี้ยนะเพราะมันสว่างอยู่แถวนี้ยคือมาอยู่ตรงเนี้ยพราลมหายใจมันตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นสั้นนิดเดียวอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วมันสว่างขึ้นมาหลวงพ่อดูอยู่ที่แสงสว่างเนี้ยแล้วพระจิตเคลื่อนไปที่อื่นหลวงพารู้ทันว่าจิต ทิงแสงสว่างไปแล้วพอรู้ทันจิตแล้วกลับมาอยู่ที่สว่างเดี๋ยมันต้อเคลื่อนอีกเราก็รู้อีกเคลื่อนอีกรู้อีกนะคุณแม่จันดีบอกถ้างั้นกหลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช่ลมท่านใช้พุทโธท่านพุทโธแล้วท่านกําหนดจิตอยู่แถวนี้พุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันจะบหลักได้ยังพุทโธเพื่ออะไร เพื่อจะรู้ทันจิตที่หนีไปไม่ใช่พุทธโธเพื่อไม่ให้จิตหนีนะจับหลักให้แม่นนะเพราะฉะั้นครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะสอนพุทธโธมานะเพื่อให้เรารู้ทันจิตคาว่าพุทธโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตที่เป็นมหากรุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังเกิดเองโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดนะครูบาอาจารย์วัดป่าจะเรียกว่าจิตผู้รู้ เนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยมันมีขึ้นมาได้เพราะว่ามีสติไปรู้ทันจิตผู้หลงอย่างเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตหลงไปที่อื่นเรารู้ทันว่าจิตหลงเนี่ยจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นแทนชั่วขณะแล้วเดี๋ยวหลงใหม่หลงใหม่รู้ใหม่นะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นอีกแป๊บหนึง่งหลงอีกรู้อีกจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นอีกขนาดหนึ่งแล้จิตรู้เนี่ยจะส่งตัวอยู่ด้วยคณิกะสมาธิ นะสมาธิคณิกาสมาธิอย่าดูถูกนะพวกเราคลุ้มคลั่งยี่เอาแต่อัปปนาสมาธิคนรุ่นเราที่ทำอัปปนาสมาธิได้มีน้อยเต็มทีรลกศิล์หลวงพ่อนะมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเนี้ยนับไม่ถูกแล้วจำนวนท้งเมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยนะีย่เยอะยๆไปหมดนะแต่ที่ที่หลวงพ่อเห็นนะคนที่เดินโดยใช้สมาธินำเนี่ยนปัญญาเนี่ยมีไม่มากหรอก ส่วนใหญ่ก็ได้สมาธิตื้นๆอย่างที่พวกเรามีนี่แหละสมาธิที่ลักษณะที่ลักษณะพยายามฝึกที่ลักษณะที่ลักษณะพอมันต่อเนื่องเกิดบ่อยๆมันจะมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันที่จริงคือจิตที่รู้ตัวเนี่ยเกิดต่อเนื่องเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องยาวนานจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ทั้งวันอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะ พระบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเนี่ยท่านจะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อแต่เจอหน้าหลวงพ่อท่านจะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายาที่ท่านตั้งใหนะ้ผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัวผู้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะผู้มีสมาธิมีจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ใช่จิตใจล่องลอยหนีไปที่อื่นเนะนี่ยก็ฝึกอย่างนี้ฝึกไปแต่หลวงพ่อฝึกเข้าสมาธิจริงๆนะ แล้วเวลารู้สึกตัวอยู่เนี่ยจะรู้สึกตัวได้เป็นวันๆของเราเอาทีละขณะทีละขณะนะเอาทีๆขึ้นううก็เป็นวันได้เหมือนกันค่อยๆฝึกไปนะเหมือนไฟฟ้าเนี่ยเกิดดับวินาทีหนึ่งทั้งห้าสิบครั้งนั่งแต่มันเร็วเรารู้สึกเหมือนมันคงที่จิตเกิดดับรดเร็วนะแล้วถ้ามันเกิดเป็นตัวรู้ทีทๆๆเราจะรู้สึกเหมือนตัวรู้คงที่เลย จะใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันพระอราหันต์ส่วนใหญ่นะมาด้วยคณิกาสมาธินะท่านที่ได้ฌานแล้วมาบรรลุพระอราหารันต์ทีหลังอะไรเนียมีน้อยอันนี้สั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าท่านเคยชี้ให้ภิกสูดูบอกเนี่ยในหมู่พระอราหันต์ห้าร้อองค์นะมีพระอราหันต์ที่ได้วิชาสามหกสิบองค์ จากจากห้า้ององมีห0องค์งคได้วิชาสานะมวิชาสามคือระลึกชาติได้รู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างทิเลดได้อีกหกสิบอได้อภิน ญ, ญาหกเช่นแสดงฤทธิ์ไดนะ้มีหูทิพตาทิพอะไรต่ออะไรมีเจโตปริยายานอะไรเงี้ยพวกนี้มีอีกหสบจากหนะ้าร้อพระอหันต์ที่ได้อรุปฌาน มารู้ด้วยอุปโตภาควิมุตได้รูปมีอีกหกสิบรวมแล้ววิชาสามอภิญญาหกนะอุปโตภาควิมุตอีกหกสิบอย่างละหกสิบเป็นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบจากห้าร้อยที่เหลือสามร้อยี่สิบใช่ไหมนั่นแหละคือคนอย่างพวกเรานะคือมันด้วยอย่างพวกเราควรจะดีใจนะเป็นเสียงข้างมาก ตามระบอกประชาธิว่ทตที่จริงคือพวกลอยถ้ยทำสมาธิไม่ได้ก็ไฟอย่างนี้แหละไฟแบบแห้งแล้งอย่างนี้แหล ะ, ะมันรู้พระอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าสุขขวิปัสสกะก็ยังดีนะแต่พอเป็นพระอรหันต์บอกว่าไม่ได้มีฤทธิ์ไม่มีฌานมีความสุขัหมมีเพราะจิตสัมผัสพระนิพพานไม่มีอะไรมีความสุขเท่าพระนิพพานอนะ เพราะฉจิตที่ภาวนาไม่ได้ฌานไม่ได้อะไรเนี่ยบราารลุพระอรหันต์ด้วยสุขภพิปัสสกานะในแนวทางเนี่ยถ้าว่ามีความสุขไหมมีไม่ใช่ไม่มนะีมีความสุขเป็นมหาศาลตอนที่บรรลุเข้าไปถึงธาตุขันเนี่ยแทบรับความสุขไม่ไหวเกือบแตกเลยเพราะฉนั้นบางคนนะถึงตายเลยบราารลุพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชกนะอยู่ได้วันเดียวก็ตายเลย ร่างกายทนไม่ไหวมีความสุขเกินไปถ้าได้บวชนี่นะมันจะเปลี่ยนอารมณ์นะตอนเป็นบวชใหม่ๆเนี่ยมันต้องคอยระวังโน้ตระวังนี่ใจมันจะทางานขึ้นมาเนะี่ยค่อยๆปรับตัวไปงั้นเราพยายามฝึกนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ตันจิตตัวเองไปกรรมฐานที่สะดวกง่ายๆพื้นๆก็กรรมฐานที่เกี่ยวกับร่างกายเราเนี้แหละ หายใจไปก็ได้หายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตรู้อิริยาบถสี่ก็ไดนะ้ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็รู้ทันจิตไปแต่บางคนไม่ชอบที่กายอย่างหลวงพ่อไม่ชอบหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะสมาธิเราแรงนะยมันดู ก, กายแล้วกายมันระเบิดนะ่ะมันระเบิดมันสลายตัวเป็นแสงสว่างกระจายหายไปหมดเลยเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียว ยังไเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงพู่ดูลไม่สอนเรื่องกายกับหลวงพ่อเลยสอนเขาที่จิตเลยนะท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองชี้บทของท่านคืออ่านจิตคําว่าอ่านคําว่าอ่านเนี่ยอย่างเราอ่านหนังสือเราเป็นนับประพันธ์หรือเปล่าเราไม่ใช่การแต่งหนังสือนะเพราะงั้นอ่านจิตเราก็ไม่แต่งจิตไม่ได้แต่งจิต ให้เรียบร้อยสำรวมเลยนี่อันนี้แต่งลอกอ่านหนังสือหนังสือมันมีบทรักก็รู้ว่ามันมีบทรักมีบทโกรธก็รู้ว่ามีบทโกรธตามมาอ่านมันไปไงอ่านจิตตนเองเหมือนอ่านหนังสือนะเพราะฉั้นเดี๋ยวมันก็จะโลบเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เนี่ยมีตัวละครเล่นอยู่ในใจเราให้ดูนะแล้วตัวเราชับ สมมติตัวเองนะเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกใช่นอกนั้นตัวอิจฉาตัวผู้ร้ายอะไรเงี้ยถ้าคนในเราชอบก็เราเป็นนางเอกแล้วก็มีพระเอกอันนี้อันนี้แต่งเอาละดูเอาเองไม่ต้องแต่งจิตเป็นสุข ก, ก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นดูเฝ้าดูเฝ้าดูไปแต่เราจะดูมันได้ดีดูได้ต่อเนื่อง เราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อย่างเครื่องอยู่เช่นเราอยู่หายใจเข้าพูดหายใ้ออกโทเงเนี่ยนะพอมีการกระทบอารมณ์ขึ้นมาจิตมันเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นได้ชัดไอ้เมื่อกี้มันพูดโทอยู่ดีๆตอนนี้นีไปคิดเรื่องอื่นละเมื่อกี้มันเฉยๆสงบสบายอยู่ตอนนี้มันฟุ้งซ่านละเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นที่เรามีกรรมฐานอันหนึ่งนะเป็นวิหารธรรมเยจําเป็นต้องมีนะ ใช้กายก็ได้ใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมเป็นวิหารธรรมก็ได้แต่ที่แนะนำก็คือใช้กายกับใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้จิตเป็นวิหารธรรมคือเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตโดยตรงไปเลยนะจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้โลภโกรดหลงอะไรขึ้นมาก็รู้ไปนะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเลยใช้กายเป็นวิหารธรรมเนี่ยกายหายใจออกก็รู้กายหายใจเข้าก็รู้เห็นไหมมีคาว่ารู้ตลอดเลย จิตเป็นสุขกรู้จิตเป็นทุกข์็รู้จิตรอบก็รู้จิตไม่โอบก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้รู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละคือการปฏิบัติวิปัสสนามาจากคาว่าวิจับคาว่าปัตสนาปัตสนาแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งการเห็นแจ้งคือเห็นความจริงของรูปนามกายใจว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนา ถ้าไม่ได้รู้อยู่ที่กายใจรูปนามไม่ใช่วิปั ส, สนางั้นะอย่าไปดูท้องพองท้องยุบนะแล้วเห็นท้องเป็นสมถะหรือวิปั ส, สนาใครว่าเห็นท้องพองท้องยุบเป็นวิปั ส, สนายกมือซิมีไหมไม่มีเลยเหรอใครว่าเป็นสมถะใครไม่รู้ยกมือ ถ้าแทนท้องพองท้องยุบเนี่ยเอาเอาท้องเป็นอารมณ์นะท้องเป็นอารมณ์สิ่งที่เห็นคืออะไรเห็นท้องไม่ได้เห็นไตรลักษณ์นะต้องเห็นด้วยปัญญาลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งมีสัญญาเข้าไปหมายรู้ความเป็นไตรลักษณนะ์ของรู ป, ปรธรรมนามรธรรมนั้นถึงจะขึ้นมิปั ส, สนาได้นะถ้าไม่มีการหมายรู้ความเป็นไตรลักษ ของรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่พิปั ส, สนาดูกายก็เป็นสมถะดูจิตก็เป็นสมถะอย่านึกว่าดูจิตเป็นพิปั ส, สนานะดูจิตเราติดสมถะเนี่ยเยอะมากเลยนะดูแล้วจิตว่างอยู่ก็พอวมว่างเฉยๆสมถะั้เรามีเครื่องอยู่ต้องมีเครื่องอยู่ใครเคยสวดหรือเคยอ่านสติปัฏฐานสูตรไหมมหาสติปัฏฐานใครเคยอ่านบ้าง มันจะเริ่มต้นจากอะไรกายเยกายานุปสัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมเหม็นม้ามีกายในกายมีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือเครื่องะระลึกเครื่องะระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเครื่องะระลึกของสติ แะจิตต้องมีเครื่องรู้หรเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเช่นเรากายเนี่ยเป็นเครื่องรู้ของจิตแม้จิตเป็นคนรูกร้กายสติระลึกอยู่ในกายพอจิตหนีไปที่อื่นสติรู้ทันนะว่ามณนหนีไปจักกายแล้วนีไปจากลมแล้วหรือถ้าบริกรรมก็มันหนีไจากพุโทโธแล้วพุโทโธเนี่ยใช้จิตเป็นวิหารธรรมท่ทองพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ย จิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมอย่านะงนนพุทธเนี่ยก็ใช้เป็นวิหารธรรมของพวกดูจิตได้นะแต่ของพวกดูกายอนะไรใช้ลมใช้อิริยาบถบางคนเล่นควบให้ยใจเข้าผู้ดออกดูดูได้ทั้งกายโดยได้ทั้งจิตแหละแล้วแต่ว่าตัวไหนไมันจะเด่นขึ้นมาเนะี่นนะแรกในสติปัฏฐานคือมีเครื่องอยู่ นะมีเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องระลึกของสติมีเครื่องรู้ของจิ Senhor, Cathy, right? ตเครื่องระลึกของสติหลวงพระพุธใครเคยรู้จักไหมหลวงพระพุธฐานิโยท่านบอกเลยแล้วว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องมีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติคือมีวิหารธรรมนั่นเองจะใช้กายใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมก็ได้ตัดจากนั้นกายเยกายานุภาสีวิหารตินี่ตัวที่หนึ่งวิหารติ อาตาปีตัวที่สองสัมปชาโนตัวที่สามสติมาตัวที่สี่อาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสเหรานต้องรู้นะที่ภาวนาเนี่ยเพื่อต่อสู้กับกิเลสนะไม่ใช่ภาวนาสนองกิเลสถ้าภาวนาแล้วมุ่งจะไปเป็นเทวดามุ่งจะไปเป็นพรหมมุ่งจะมีฤทธิ์นี่คือการภาวนาตอบสนองกิเลส ไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าบอกอาตาปีแพดเผากิเลสให้เราร้อนนะไม่ใช่ถูกกิเลสแพดเผาให้เราร้อนนะหมายถึงว่าเราไม่ยอมแพ้กิเลสนะนะตราบใดที่กิเลสยังอยู่เนี่ยไม่เลิกปฏิบัติเลยเนฝะ้ารู้เฝ้าดูมันลงไปสำปะชานโนรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่นะนี่เรามีสำปะชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่รู้ว่าเราจะปฏิบัติอะไรเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไร แล้วก็ไม่ล้าเลยการปฏิบัติของเราสติมามีสติระลึกรู้ระลึกรู้อะไรนะระลึกรู้รูปนามจะระลึกรู้รูปนามได้ดีต้องมีวิหารธรรมไว้ระลึกก่อนแล้วพะจิตมันทิ้งวิหารธรรมไปเราจะระลึกได้เร็วนะเห็นไหมมีวิหารติแม้อาตาปีแผดเผากิเลสสัมมชานรู้เนื้อรู้ตัวมีสติ ตัวสุดท้ายวินัยยะโลเกอพิชาโทมานัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ถอดถอนคําว่าโลกต้องเข้าใจก่อนคําว่าโลกในสติปัฏฐานไม่ใช่เอิร์ดโลกไม่ใช่เอิร์ดไม่ใช่เวิร์นะโลกในสติปัฏฐานคือรูปนามคือกายใจเราเนี้ยที่เรียกว่าโลกนั้นรู้แจ้งโลกโลกกวิถูนีรู้แจ้งในโลกรูปนามนี่เอง ไม่ใช่รู้อวกาศอะไรนะคาว่าโลกนิยามเป็นสับเฉพาะคาว่าโลกในสติปัฏฐานคือรูปนามเพื่อกายกใจเิงถอดถอนความยินดียินร้ายในกายในใจได้เพราะฉะนั้นอย่างเรานั่งพาวนาอยู่แม้วันนี้หายใจสบายคล่องแคล่วนั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อยดีใจชอบร่างกายเราที่ดีเนี่ยยินดีพอใจละ ให้มีสติรู้ทันว่ายินดีพอใจแล้วนั่งแล้วมันเมื่อยโอ้ยวันนี้เมื่อยเหลือเกินเดินจงกรมห้านาทีเมื่อยนะช้อปปิ้งมาหลายวันนะไม่เป็นไรนะเดินจงกรมแล้วเมื่อยใจจะขาดหงุดหงิดขึ้นมาไม่ชอบเลยร่างกายนี้น่าลำคาญที่สุดร่างกายไม่ใช่ของดีรู้ทันว่าใจไม่ชอบนะใจยินร้ายในกายนะหรือเวลามีความสุขเกิดขึ้นในใจจิตเรายินดีพอใจ มีสติรู้ทันนะมันหลงยินดีแล้วนะแล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนี่มันหลงยินร้ายแล้วเนี่ยค่อยๆฝึกอย่างนี้ไปนะให้ฝึกไปแต่เจริญสติปัฏฐานนี่แหละค่อยๆดูไปแล้วต่อไปปัญญาจะค่อยแก่กล้าขึ้นนะปัญญาขั้นที่หนึ่งมันจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยเพราะเราเห็นกายเห็นใจทางานอยู่เรื่อยๆนะ มันทำงานได้เองนะจิตมันก็คิดได้เองจิตไม่คิดได้เองไหมสั่งให้มันคิดเรื่องนี้ผ่าไปคิดอีกเรื่องหนึ่งสั่งให้คิดแต่เรื่องดีไม่คิดเรื่องร้ายห้ามมันไม่ให้ไปคิดร้ายๆ้าเหมือนคนจะคิดคุมมันไม่ได้ร่างกายก็สั่งมันไม่ได้จริงอย่าทุกนะสั่งได้ไหมอย่าทุกสั่งไม่ได้อย่าปวดเอือปวดชีสั่งไม่ได้ เนี่ยเราจะค่อยๆ ร, รู้สึกอยู่ที่กายแนละ้วถ้าเห็นจิตทํางานด้วยรู้สึกกายไปด้วยสุดท้ายปัญญารวบยอดจะเกิดนะจะรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราก็ภาวนางเราต่อนะถึงจุดหนึ่งมันรู้แจ้งว่ากายนี้คือตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราแต่มันคือตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางกายนี่เป็นปัญญาขั้นกลางระดับพระอนาคามี แล้วภาวนาต่อไปจะรู้ว่าตัวจิตเองก็คือตัวทุกข์ที่เราภาวนานัานแค่เป็นทับตายทําความดีถ้าเป็นทับตายเพื่ออยากให้จิตมันสุขแต่พอเราไปเห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์มันวางจิตจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกแล้วก็หมดแล้วขันห้าที่ยึดสูงสุดก็คือจิตนั่นเองรู้ความจริงว่าจิตไม่ใช่เราก็จะรู้ว่าขันห้าไม่ใช่เรา รู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราก็รู้ว่าโลกไม่ใช่เรานะรู้ความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์ก็จะเห็นขันห้าเป็นทุกข์โลคก็เป็นทุกขนะ์และความไม่ยึดถือก็อจะเกิดขึ้นเองนี่คือเส้นทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาก็เดนอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานนั่นแหละเพราะสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะถ้าเกินสติปัฏฐานไปไม่ใช่ละ นั้นเราจับหลักให้แม่นๆนะรู้สึกอยู่ในกายไปแล้วถ้าจิตเราหนีเราคอยรู้ทันไปนี่บางคนไม่ชอบกายจริงๆดูไว้ที่จิตตรงๆเลยพุดโธพุดโธไว้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันอย่าง น, นี้ก็ใช้ได้แต่ต้องมีเครื่องอยู่ไว้ต้องมีให้มีเครื่องอยู่ไว้ให้จิตหลงออกไปจะได้รู้คนจรจัดเนี่ยไม่มีบ้านอยู่เที่ยวไปเรื่อยๆไม่รู้สึกแปลก คนมีบ้านอยู่นอนบ้านทุกวันวันนี้หลงทางไม่ได้กลับบ้านรู้สึกแปลกไหมจะรู้สึกอย่างรวดเร็วเลยรู้สึกอย่างชัดเจนเลยจิตที่มีเครื่องอยู่เนี่ยพอมันหลงออกไปจากเครื่องอยู่มันมันจะรู้เลยว่าหลงออกไปจากบ้านแล้วมันจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะมันไม่สบายมันอยู่บ้านางั้นฝึกนะให้มันมีเครื่องอยู่ใช้กายก็ได้ใช้จิตก็ได้แล้วแต่ความถนัดถ้าใช้กายก็ใช้ กายที่หายใจกายที่ยืนเดินนั่งนอนนะกายที่เคลื่อนไหวกายที่หยุดนิ่งอนะไร่งเงี้ยถ้าใช้จิตก็ดูไปจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนตลอดเวลาเวลามีผัสศจิตก็จะเปลี่ยนคลนะ้ายเฝ้าดูเฝ้าดูไปสุดท้ายก็จะแจม่มแจ้งขึ้นมานะแจ้งจิตตัวเดียวก็คือแจ้งธรรมนะเพราะว่ากายเป็นผลผลิตของจิต เคยอ่านเคยสวดไหมวิญญาณปัจจายานามรู ป, ปังจิตวิญญาณะนะั่นแหะเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปจิตดวงเดียว น, นั่นเอให้เกิดนามรูปนะได้ขันห้ามามีขันห้าก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาก็มีผัสสะกายทอมอารมณ์มีผัสสะแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์กขึ้นบ้างเกิดเฉยเฉยขึ้นบ้าง มีความสุขกิเลสกาแทรกราคาแทรกมีความทุกข์โทสะก็แทรกเฉยๆจับอารมณ์ได้ไม่ชัดโมหะก็แทรกมีราคาเกิดขึ้นก็อยากไดนะ้สิ่งที่ได้มาแล้วก็อยากให้อ ย, อยู่นานๆมีโทสะเกิดขึ้นก็อยากให้หมดไปสิ้นไปนะอยากให้สภาวะนั้นสิ้นไปมีโมหะเกิดขึ้นก็หลงโ น, น่นหลงนี่เดี๋ยวก็โลภเดีนะ๋ยวก็โกรธใจก็ทิ้นไปทิ้นมา เพระใจมีความอยากเกิดขึ้นใจก็ดิ้นรนใจดิ้นรนเนี่ยใจจะหยิบฉวยจิตขึ้นมานะจิตจะหยิบฉวยจิตขึ้นมาตัวนี้เรายังไม่เห็นนะต้องภาวนาไปอีกพักหนึ่งใราจะเห็นจิตเนี่ยหยิบฉวยจิตจิตยึดถือจิตพอเรารู้ทันจิตจะปล่อยวางจิตนะแล้วเดี๋ยวหยิบใหม่จนวันหนึ่งรู้แจ้งจิตจิตจะวางจิตแลไม่หยิบขึ้นมาอีกะตัวนั้นที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นวันนี้เทศ ยากไปไหมยากไปก็ไปฟังซ้ํานะเดี๋ยวก็มีเขาก็ทําำยูทูบทาอะไรให้ฟังหรอกอดทนนิดนึงเรียนซ้าแล้วซ้ําอีกนะธรรมะหลวงพ่อไม่เรียกร้องอะไรเลยนะหลวงพ่อเรียกร้องให้อดทนที่ปฏิบัติไม่เรียกร้องว่าจะมาเก็บค่ากันเทศอะไรไม่เรียกร้องหนังสือก็มีโบนิที่ทาแจกให้อะไรให้ สื่อก็มีทำให้นะบริโภคได้ฟรีเท่านั้นเลยก็นะเอาไปเรียนแล้วไปลงมือทาเรียกร้องข้อเดียวปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วก็จะมาเป็นพยานให้หลวงพ่อนะว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี้ยเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องเมคขึ้นมาเราจะเป็นพยานให้หลวงพ่อได้ด้วยตัวของเราเอง หลวงพ่อกล้าพูดอย่างหนึ่งเลยนะสี่ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อสอนด้วยความมั่นใจเต็มร้อยนะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่อมีสองอย่างหนึ่งหลวงพ่อมีครูที่เลิศครูของหลวงพ่อแต่ละองค์แต่ละองเนะี่ยครูชั้นเลิศท่านนั้นเลยข้อสองหลวงพ่อมีความอดทนนะพวกเราอดทนไหม แล้วก็ดูยูทูบไปดูของจริงไปนะฟังซีดีก็ดูของจริงนะอย่าทิ้งการดูของจริงนะฟังอย่างเดียวดูอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะต้องดูของจริงที่ดูกายดูใจของเราถึงจนหนึ่งก็จะเข้าใจถ้าพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วเนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกก็จะเข้าใจไปอ่านอริธรรมก็จะเข้าใจไปฟังสํานักไหนสอนก็จะเข้าใจบางทีเข้าใจเลย อ๋อคนนี้สำนักนี้มีแต่สมถะนะแล้วนึกว่าสอนมีปัจสนานะจริงๆสมถะทางนั้นนะไม่เคยเพื่อนมีปัจสนาเลยนะครูบาอาจารย์องค์นี้สอนระดับฌานะองค์นี้สอนเจริญปัญญายเงีนะ้ยเราฟังเราจะรู้แล้วเป็นปัญญาระดับไหนเราก็ฟังออกเพราะเราเราเข้าใจด้วยตัวเราเองละหลวงพ่อภาวนากับหลวงพูดูลเนี่ยเจ็ดเดือน หลวงปู่บอกว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้แล้วช่วยตัวเองคือไม่หลงทางล้หลวงพ่อออกดูล่ะสนักอื่นเขาเรียนอะไรกันก็จะเข้าใจไม่หลงอ่ะไม่หลงผิดนะก็ไปพบครูบาอาจารย์ที่ดีๆหลายองค์พบพวกปลอมๆก็เยอะเลยบางแห่งครูบาอาจารย์ดีแต่ลูกศิษย์ทำไม่เป็นหรอกบางแห่งครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ก็ดีด้วย แต่และแห่งไม่เหมือนกันนะพวกเราที่วิ่งพลานๆเป็นหมาตู่นํำร้อนวิ่งวิ่งวิ่ไม่มีหลักเนี่ยอันตรายที่สุดเลยก็จะหลงสับสนจับหลักไม่ได้แล้วหลวงพ่อไม่เรียกร้องอะไรนะไปยู u t u b e ฟังซีดีอะไรก็แล้วสังเกตตัวเองดูกายดูใจสักช่วงหนึ่งนะสักช่วงหนึ่งสักสามเดือนแล้ววัดผลตัวเองว่าเข้าใจพระพุทธเจ้ามากขึ้นไหม เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนมากขึ้นไหมเชื่อไหมว่าพระสงฆ์มีจริงๆนะไปดูด้วยตัวเองวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวนี้หมอกำานดว่าไม่ให้หลวงพ่อพูดเกินชั่วโมงเพราะว่าเส้นเสียงเรามีปัญหาถ้าต้องผ่าตัดเส้นเสียงเนี่ยจะพูดไม่ได้เป็นปีเลยจะไม่มีเสียงเป็นปีฟังนิดๆหน่อยๆนยสักชั่วโมงหนึ่งดีกว่าไม่ได้ฟังเลยเนาะ ค ร, ครับก็วันนี้มีญาติธรรมนะครับนำปัจจัยและก็ทายาทรรมาถวายหลวงพ่อนะครับพวกเราก็จะร่วมถวายพร้อมกันนะครับกรุณากล่าวตามผมนะครับข้าพาเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทยธรรม และสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับพรเพื่อประโยชน์พชนเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวฝ ร, ร, ร, ราบสิ้นการละนานเถิน